เสียงอ่านหนังสือวิปัสนาอนุบาลงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นนมมาประกอบเสียงอ่านนะครับคำนำวิปัสนาอนุบาลเป็นคําสนทิระหว่างวิปัสสนากับอนุบาล